บุญไสซเสยนไซเท่าส่อง ส, สังสองอ่อนเสร็จดวงเข่าในี่ยขมควงม่านเอาทํากับพาะไมนแน่ไซส่องออนอ่ะเสร็จดวงเข่าเนี่ยขุมควงม่านควงม่านมันด้วยไซย์จะได้ห้อยใจเท่าหนิขันธ์มารมานคือขันธ์กิเลสมารมานคือกิเลสภิกษุสังขาร ม, มารมันคือภิสังขารมัจจุมารมันคือมัจจุ่ะเทพพุทธมารมานคือเทวบุตรนะชนะกษณะกันด้วยนี้แพ้ก็แพ้กันด้วยนี้แพ้ชนะขั้งนอกระบบเี่ แมะทางพุทธศาสนาศสนะก็ชนะก็กกิเลศทูตเจ้าแพ้กับแพ้กิเลศทูตเจ้าชนะทั้งนอกว่าม่ในพุทธศาสนาเพื่อนว่ะเวนสนองเวนไผยสนองไผ่ไม่ใช่ชนะดอกภาษาเพื่อนวะพูดให้เสียงดังฟังให้ชัดแล้วลูกภูว่าสบายแล้วเ่ะเดือนนี้เพราะเป็นวัดโคกเป็ดเป็นโรคร้ายอันโรคทุ่งนั่นดีเป็นนิวลูกโรคลกูลกมาโต ลรกชุกนเอีเป็นนิวมันละลายไปแล้วยัง่งรูแดงโรกลู ก, ล ก, ลกมาโตพัฒนะบ่ออกแล้วก็ลูกโรคใส่เรื่อนอีกแล้วก็โรคหัวใจอีกเขาว่าลกปูยัจะุว่าหลายไปเนอะพี่ฉนมือหนึ่งยักสุแห่งถึงร้อยขั้วมันจะเศ้ามันี้งมันจะลาดเราฮาฮ่าาา <laughs> ร้ายก็ <laughs> ร้า ย, <laughs> า ย, <sh arp> ายออกไปจากใจพี่น้องเ อ, อ้ย น้อยก็ น, น้อยลงมาหาใจใจอันเดียวฮะหร็ศีลก็ตัดศีลลงตัวเดียวต้องตัดศีลลงใจศีลหะกันห้ามบวรวงละเมิดมันก็ไม่ศีลตัวเดียวเป็นเสืออหาเกี่ยวศีลแปดกันห้ามบวรวงละเมิดก็เป็นศีลตัวเดียวเป็นเสื้อแปดเกี่ยวพุทธท่สงฆ์ก็เป็นเสื้อสามเกียกเเกเก่ยวอยู่ในะชี้ใจพุทโทแปลว่าผู้รู้ละบาปบาเพ็ญบุญถ้ามโมทรงไหม่สึ่งว่ า, าละบาปบาเพ็ญบุญ สังโคปฏิบัติระบาบอันเพ่งบุญโตงลงพุโทโธธโมสโคก็ได้อยู่ในใจนี่ท่อใจเป็นผู้เนลึกเป็นผู้ถ้ำยนนนองมากแปดเบือนชื่อพระธรรมขันดน่นนองมาหาใจมโนภูพังเข้ามาธรรมามโนเสรษฐาโมมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ทำทั้งหลายบาปก็มีใจเป็นหัวหน้ า, ห า, หาบุญก็ไม่ใจเป็นหัวหน้ า, าอันไหนกลเป็นใจเป็นหัวหน้ า, ามัดนายโกเป็นนายกเขานัณทีพราปฏินายกา คนพานไม่ใช่คนหัวหน้าเ่ใจอันไหนมันเป็นผ่านย่าห้มันเปลี่ยนหัวหน้าเขาไม่นึกไปทั้งการมองนรีตยาาต๊พญานาคเรียต๊ะวิหิงสาวเีตยต๊ะย่าเห้มันเอาเจ้าองใจคับมันหนีนะเป็นท่านเขาไม่นึกไปทั้งเมตตากรุณาโวเบียเบือนตนและผู้อื่นอันนั้นครบบัญชิตบัญชิตมาอย่ในใจคนค้นภาวิลูกปูลูกปูนะไรผีออกใครแน่ไม่สัง่งแต่จัางว่าผีป้มีเจ้าผู้มาถือบาปป้มีเจ้าผู้มาทำ บัมี่เนี่ยบัมีแจแกพูน้องเป็นโสดทว่างส่ผีขันท่างบะถือมันก็บ่ะม้าขันท่าถือมันกับมา้า อ, มบมาอยู่ในใจเนี่ยมันบอกมา้าไปเจ้าหัอใจข้าอยู่เนี่ยเพราะข้าถือมาไว้สิคำสอนพระพุทธเจ้าในใจลอกกระทานเนี่เป็นเมืองขึงคำสอนพระพุทธเจ้ามัดคือเข็มทิตศสิ่งี้ทนายมันกับซีไปทางทิศเหนือเข็มทิศจะมีกี่น่านก็ขี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูดรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อนะไม่เชื่อเล็กบระเสกันอรองเสียงว่าขืนอยู่กับพูรู้พูบูรู้ว่าข้นอยู่กับผู้เชื่อผู้บูเชื่อมันเล็กปนไหนสันเอานนเชื่อมในทางเล็อกขึ้นเพื่อจะให้คํานึง่งในหลายทานั่งใหน้องครองบึงบางต่างๆไล่งงงลงสู่มหาสมทุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใด คำส อ, อ, อนใดก็ไรต้องสู่คําสอนนุกุตสาสนะโดยไม่รู้ตัวทันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อยิ่งอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเดี๋ยวนี่ก็ไหลวันนี้ก็แม่ขึ้นไหลลงไปสูม ah ่มหาสมุทรทเดีเ๋ยวนี้เขียเพี้ยกับซี่ไปท่าทิศเหนือจะวั่มีก็แม่ขึ้นวันีวันทิศวันเสาร์เลยนั่งค้นไปยังจังถือรศาสนาหน่อยแค่ก็พอสางบาลนี่มากออนมากับวัตถุสันตัว พระพุทธเจ้ามาเทศต่ละยุกตะลยุกก็เท่ากับได้เท่าขนงัวเนี่ยโอได้เท่าเขาโคเนี่ยขนงัวมันไปใช้มัดบ่อะไราฝากกล้วยให้พระพุทธเจ้าองค์นาอยู่ในตัวคนมามาวัดเนี่บว่าบ่ใช่ไรไม่หน่อยนึงเ น, นี่ยผู้เขาว่เข้ามาวัดไม่อโคลอะไรกูนี่แม่นบ่เออมากก็ขนง่วนเขาจะสุภาษิตมากนะผมเท่นนี้ผู้เข า, าวัดว่าเขาพระเจ้าบรรพบรุษไม่หลายกันหย่งเขาจังบ่ ยินดีนะพุทธศาสนาโย่ก็ไปยังแม่วันจะบอยินดีนะเกษรดอกไม้ก็ว่าท่นด้วยแม่นบอกมันก็ว่าประชาทิปไตมันแม่นบอกแมงพูงแมงเผิมมันก็ว่าประชาธิปไตมานันแม่นบอกมันก็ว่ามันใจถึงแม่นบ่กโรคทิพใจทิพของทิพกูมันก็ว่าแมงูแมงพูแมงเผิมก็ว่าของทิพกูนั่นผู้ละคนมาวาคือเฮ็ดดีแท้ปฏิบัตเผดม่อยู่นีเบะว่า่น ไว่อย่างนี้ถือว่าเปล่นนะพราะอย่าีือว่าของจับของเราของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มดนใ่ไต่โลกทามันนำร้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวไม่้องเขามาใส่จางบอกแต่วานี่ก็มันนำร้ายพรพุทอน่ยหอมยุบมันนี่นุ่มยูบมันนี่ดมยบมนีไม่ต้องนำร้ายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดน่ะเป็นเมื่อขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มดล่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่นีไม้เอาธัญพาในไม้เอาพลาหันเนี่ไม้เอาโพธิสันหนาไม้เอา อันพระพุทธสุทธิคนหานาเงียบกินขนมนคืองโม่เข้านี่ยหมายเอาพาระลหัสผลชีตีนในไตโรกราแทนี่้ำร่ายของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพญาสงเจ้ายวบัดโม่เข้าอุปมาคือแมงวัานหนาเาียบกันกินอยู่เนี่ยกูได้น้อยมึงได้หลายกิ๊กกันอยู่เนี่ยกิ๊กกันไปกันมาฆากันไปกันมาตายแบ่เมือ่อแฝงแฝงมาได้ยังมิแตเวนสนองเว่นไผ่นองไผ่เนี่ยั้งสัพระพุทธเจ้าจะมาปศนอาวุธ ปาราติบาตอาเทนากาเมมุสาสุราวัดอาวุธซักโรหลานด้ยพระสันตะพิเจ้าเอาอาวุธเสียดทำหนีใส่พระสันระพูติเจ้าผู้ได้อยางไรสิพระสสดาบาณให้เอาเม่อวันนีราพระสวดบมื่อานเลกเม็ดที่นั่งพระวนนีวัดขึ้นหอยเห้าก็สร้าจนคุ้มขนคุ้มขนวนลงก็ตามขันยังเสียดายอยากลวงละเมิดเสียนหายอยู่ันบวงเลีนพระสวสดา์บัน ยังเชื่อใจอยากเรีนเลขเรีนภาอยู่กับบแมเนพระสวดาวนยังเชื่อใอยากถือศาสราอื่นอยู่กับบอมเอนพระสวดาวรยังเชื่อใจอยากขอดเว้นกับคนอื่นอยู่กับบอมเนพระสวดาวนมึงเนอกูว่าอ้มึงท่านี่กูจเอามึงท่านั่นบอมเอนเนี่ยบมเนพะสวดาวัเนี่ยพระสวดาวันั่นเครียดจยู่แต่ห่างบอดบอดตอบเว้นเขาบอดจองเว้นเขาโอ้เคยเด้ทยาทำเขามาแต่สากรเํามาเลียงไปสากลเนอะผู้ขาเเครียดด้วยรอกแต่ห่างบออดเว้น เขามาก่อไม้กัให้แล้วไปสาประธานนี่พระสวัสดวันต้องไปแถ้นั่นผู้ขาวไจองเว้ผู้ใดประธานเขามาแง่หน้าผู้ขาผู้ขาวเคยถึงแง้เขาจะสาตก้อนกับแล้วกันไปซะจะไม่แง้อีกปนดอกลูกเคยเทียงแม่เทาวนจะก้อนตัวค็ย้าผัวเทียงพอเทียงแม่เหมือนกับมาเทียงัน่ตัวมันเว็กับสับ ของมือเนี่ยรูปให้ก็กคือกันละไม่เห็นกับศาดเห็นเห็นกับซาดเลยผู้ใดผู้เสื้อกรรมและผลของกรรมกระถึงไตรชนาคมผู้เสื้อมพระผู้พระธรรมประสงค์เข้าใจว่าคําสอนในแต่โกตลกทาเนี่ยวันหนึ่งคาสอนจะพุทธศา ส, สนาไปอันนั่นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วคือดวงตาเห็นธรรมแล้วอันะ และสักกายะทิฏฐีแหะพอย่อมย่อมตาบุพระธรรมพระสงค์นี่วิชิกิตฉากับปะสงส์ใในพุพภะธรรมประสงค์นี่สีระัตปรมากับ่ลูกข้ามในพุพระธรรมประสงค์นั่นพระสกทาข้ามีอันหน้าข้ามมีพระหานก็เปิดตักตูไปเองมันบอกสันเปิดตักตูพระตัวดาบันว่ได้ไลยยสูหวังทั้งค่อยสิเดกินน้ำอ้อยอินวันเนะวนุณสมบัติอบายมุกเว้นอบายมุกันเว้นอบายจมุกเป็นวนุณปิบัติเน อบายมุกบ่ไม่แต่เนีเดียวแต่เรีนเรียกเรียนท่าเรีนบัเรีนเบือเลยนักเลงหญิงนักเลงสซรานักเลงเรื่องการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติข่านทำงานในทางที่ชอบอบายยมุกทั้งนั้นอันมุ่ควบม็ตรซัวมุ่ยอบายยมุกทั้งนั้นบ่แม่บ่แม่นท่าบ่แม่นทางมนุษย์สมบัติท่ามนุษย์ไบัติท้างน่ะชี้ขั้นเหตุงานกับมนุษย์ไบัติมักคหอ้างว่าหนาวนักแล้วมาทำการ หิวนักบะทําเหนงานหิวนักบะทําเหนงานย่างเศราอยู่บะทําเหมืนงานหิวนักละหายนักบะทํากหมนงานนี่ทางแห่งช่างเสิมหายสับสมบัติทั่งนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนวัดไปแลยสอนมนุษย์สมบัติเต็มพุ่มจ้าจั่งไปสอนสวรรค์สมบัติจั่งสอนพมสมบัติจั่งสอนนิพพานสมบัติเป็นขั้นตอนไปพระพุทธเจ้าเพราะพิคือสามเณรออกมาจากมนุษย์เด้ออกมาจากพอจากเมรุเนี่อก็ต้องสอนมนุษย์สมบัติก่อนพระพุทธเจ้าให้ในมนุษย์สมบัติเท่าก็ได้เลยเนีเฮ้ ค่าสองแสนสองหัวหนึ่งเข e. right ้าไหมาแต่ศาสตร์กรบ่เพราะเป็นคนบ้าใบเสียเจลีทพิษมนุษย์มนษ์สมบัติเข้าการรักษามนุษสมบัติเท่าไหรที่ะนี่กับว่าเรียนเล็บเรียนผ้าว่าเรียนอบายมุกกะบาดเนียเป็นอบัยวะมุกทุกประเพทบว่าเสดายจักวงระเมิดสินหาย่งก็บว่าเสดายจักวางระเมิดเพราะเห็นว่ามันเป็นท่างเสียหายดิ้งลงไปแล้วมันกับเสดายันเห็นว่ามันเป็นทางเจริญโยมันกัเศ้าอะไรมันเห็นสิ่งไหนว่ามันเป็นท่างเสียหายดิงหรืมันกัมันกับเศ้าใดมันกับปัญ ขึ้นนำไล่เขาบวชนออกทมเลเห็นาบมีประโยชน์จังเลเ่าก็บใเอาเคือมากินมันกตินักกจอย่างนี้ว่าของท่นว่าเลขขวาวัดเบอร์เคื่อกันแล่ะการพนันเครื่อกันแล้การเท่าเห็นดิงว่ามันเป็นทางเขลียร์หายตรงโต๊ะขเราท่ากับ่ระเทศจากเหตุอันนี้เป็นอย่งเท่ายังเข้าใจว่ามันเห็นได้ก็พอเท่ายังเป็นมิตรสาทิฐถีอยู่มันยังเห็นผิดอยู่วันน่ะยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นกวงจักก็แม่นดอกบัวเห็นจหัวมันไปผูกอะไรวัเนะว่าอง่าน สมมื้อนี่ีเสียงมันมจากใสเอ้าไมจากเอาใบยมุกแมนบอกนักคันแดเงินมาแล้วพ่อไปส่งงวดเขาผลมาไปมากูไปจอมจัก่อน้าท่านไปจอมลผหวาไปสองวดสมงวดกับเขาหัยงวดก็ได้หวานนี่ไงอะไนักเขานักเขานักนาทิ้ิาหามนุนนี่ยู่มมากเขากำลัเห็บเอาให้เขาก็มาเห็บเอาหน้าซะเขก็มาเห็บเอาเงือนเอาท่านกเฮ็ดีสมจงองง่นตัวแล้วนี่นจอยท่านเห อ้าไปประเทศญี่ปุ่นเบว่าไปประเทศญี่ปุ่นก็ไปกระโดดนาต่างตายเลยรับแขกบว้ไหวไปทะไมเจ้าล <c oughs> ้วแขกกันแล้วจะเฮ้ามันของด้วยพี่มันต้องแก้พี่ขาร่าอมักผลนี่พ้านาละหันหันว่าตายยังจะเอาบายยมุกันยังรับบท่านใดแ ม, ม่นว่าไะมันนฮไก่ชะนอสองเจิงน้ามือเจิงพลันนาผากไปกระโดดข้าวมือกูเห็น่ะ อันเดียอนเนี่ยแล้วก็ผานั่งเผ่าหน้าไะไรท่านผู้ขานั่งเผ่าหน้าอะไรเพรอนี่บทนั้นบทปรเดี๋เรียกงมมู่มู่อยู่พวกเรา้นว่าตได้ถึงพระสดวันเพราะฉะันแล้วไปถามเรีกกไปถามเลิกถามงามดีเยอะดีงามดีอยู่มันมองเป็นพสดาวันมันสดันสวดาเาะ่าสกันนี่มันถือแต่ต้นตกอนตัว เขียนตกอถึงสัก่้อนมันจะไปตะกอยังจำวันไหนจะไปเหียนตกขอตกข้อตกงอไปอีกใช่ไหมฉันไดคือกันจะมันสมบัติก็ยังมาถือสมวันิสมบัติมันก็จะถือเก่งไหนพ่อยังไงกัพักกันเศ้ากันตัวลูกร้านผู้ขาเทียงผู้ขาเด้ฮาลังเทียมันยังได้ยุคนี้เอ้ได้หน้าท่วงนั่นไปใส่เดียวนี้โอ้่มันสูเอาไปจำนองเมื่ราบอกเอาเราเก่าของนอกหป่า อ้วนสวนสูบบรรหารนี่ยไปไส่บ้านสูบไปจำนอมัราบอกอ้าวเนี่ที่ดินสูบบหานไปส่บานจำนอมันบไฟไหมเละไหมเพื่อนไหมซ่านมันที่ดินมันยั่งไฟไหมเด็กไม้าที่ดินมายังเี่วะไปต่อยวะเพาว่าสะกงหัวลัวงอกตัวเสียงกับบุืนนั่นมันเอามาพ่อพ่มนมีเงินไปหอดตลาดถนได้มันเอามาพ่พ่อหนางึงมีเงินนับจานวนล้านในระหว่าง ซื้อหาปีรังเข้าเจ้าเอามาให้ฟังไปเรียนเยยลขบวชตกลงบ๊อบมิ้นผ่าทายอาบน้ำลุ่งอาบน้ำบวดทั้งเนี้ยไปทั้งใดบ้างวันบินพึ่งพึ่งมาน่น <c oughs> แล้วเนี่ยเป็นปีเป็นเดือนมากกับบมิ้นเนี่ยทายทานัน่นเป็นปีเป็นเดือนมาไปนอนในน้ําบนเขาขายของน้าถนนมาท่านหน้าเหม่อแรามากเขาขนของเข้าบ้าน่ะ ไปเฮ็ดงานใช้เขากับมาับโอ้ยคนชิบหายทั้งป่านนี่เลยยะเอามารับเขา้าสี้ขานซื้อเครยงนุ่งเครื่องถือให้มันมันขีแสเนแงว่าสั่นมาเป็นลูกจ้าเขาก็เป็นขีแสนแงงขึ้นกันแล้วพอมีเงินหลายล้านเนะก็มาเสียมัดเหล่าสี่มาสั่นเอาไปเรียนมัด่สสสาสัน่นพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเดพระพุทธเจ้าว่าสอนบอมีจักแนยเนยไหพระพุทธเจ้าว่าสอนบมีเลยหนึ่งยังสองยังสามยังบะมีสอนคารวาะขึ้นกัน บรรที่โตคาลามาวัสังบรรทีตเป็นผู้คล้องเรือนบรรที่เป็นผู้คล้องเรื อ, น, น, อ, รอกนก็คือพระโสดาบานันเทาดีๆนี่แหละคือผู้มีสินศฐานนี่แหะทิ่พกข้องกันวิธีไหนว่าโรคเข้าไปจากหัวกระป้านจากหัวหลาะทําเป็นโกกรกบาลคุ้มครองโลกสองอยา่างความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่า น, นั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาดแล้วก้อนไมก้ก้หมูก ก, ก้ทักก้พวกก็ตั้งมาอยู่ อู๋ของทาใม้นำคำานึงก็ว่ที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทาในที่รับนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่เรับสั้นรับเสนหมืนไม่กไห ม, ม, มาจากบางอย่างอายต้อบาปน่ะคน่ยักอายต้อบาปมาัวต้อบาปเลยมันมายุดอกกัดหมายมันก็เยุน้ำหนังสือพุ่นพระไตรปิฎกเยอะในตู้พุ่นมันี่ตู้ยึตู้ใจของค้นมายุในตู้ข้อมาพูดของคนมันอยู่ในตู้ตัวบาปว่าตทันอาตออยู่ในตู้ บาปบาใจพนบกว่าบุญม่ส่งตับ่อสะดูว่าตวย่อผู้หญิงอยู่ในตู้เาด้กนหัวใจคนนั่นนั่นนั่นถ้าอาบน้ำเหียงมันสกระโปงคว่าอาบน้าเขาสังคมกับไะไรยูเจตุกับ่เป็นใจยูนั่นคิดใจได้มันชกกระเอาหยังออกมาลมันเอาสินทำพระองค์เจ้าท่นตัวนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นใสสนั่นใสผู้ว่ากับผู้ฟังไม่ได้นั่นออกนอกคนใด้ยังไอ พระพุทธเจ้าสร้างบาลมีมาเมจักอสงไขยทศได้ทศได้มาพกข้องโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้อ็พบข้องโลกเลยจึงทรงพระนามวัศขาเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย่สิหานะทางนะทันเตเตประกาศพรมอาจา์ในพุทธบริษัตททั้งหลายอสัตวงทั้พยัญชนะเกวราปริปุนังปุริสุทธังพมจารยังประกาศเสสิบริบุญแล้วทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะอะ ตมหางพระกวันตังไอ้กุิยาเมตตามหาพระกวันตังศีารษานธนิชยจึงยอมกราบไหว้ทั้งพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเพราะบริบูรณ์แล้วซึ่งไหนพระพุทธเจ้าพระท่านเนีสอนว่าไม่จักแน่วไปฉีพระพุทธเจ้าก็สอนให้นั่งลงสะกกันด้อจัตฝ้าอภ า, าเขีนเอวพระท่านพูดว่าสอนพระสอนเน้นสอนโยม ก, สก็สอนเื่ากันสอนโยมก็สอนเรียบเื่ากันอ๋อสอนออกสอนโยมสะกกัน ย่อมเฮ็ดกะพระเฮ็ดยังไหนพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเดือนด้วยให้อามเมรสทาง น, นัดสมณญภาพรรในวัดบะ ม, มงชนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์กุณฑบุตรดังต่อไปนี้หนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี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 นักผัวได้หนิให้เนี่ยมยีจัดการงานดีเฮี้ยนกระบะปัดถวยกบรบะล่างพระเขากะบ๊เทมันค่นเป็นโอาสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีคนข้างเคียงของผัวเกิดมาเฮี้ยนนาบูดบึงมันกรบะดีอย่างเนี้ยน่อแม่ประพฤติร่วงใจผัวนี่กินข้าวกลวงรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาอะไรไว้ขยันแม่เกยบค่าใน ก, การทั้งปวง อันนี้ผัวเรียนเบี้ยเมี้ยา่ัต้มใกล้าขาขายมันกับมันกับมัฒนกร็รมเลือดแล้วเช่น น, นี้นั่นนั่นของพระพุทธเจ้าบอกมัดละ่ะแนะวนำพอแม่เพิ่นกับบอกพอกับลูกหนึ่งห้าม่กระทําความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศีละปวิทยาหาภรรยาและสามีที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยนะักพระพุทธเจ้าสอนพอสอนแม่ได้เนี่ยส่วนสอนลูกเช่นนี้ พระพุทธเจ้าท่านในเลี้ยงมาแล้วเรีย่ยงท่านตอบทำจิตธุระของท่านดำรงลงะกูลประพฤตินตนจะเป็นคนควรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่านนั่นนั่นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้พระพุทธเจ้าบาสอนมาไม่การคบมิตรพระพุทธเจ้าสอนมิต ร, รพพทแท้สี่จำพวกมิตรไม่อภิคาระมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้กวรครบ มิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้อมาะแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้อมาะแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นที่พึ่งพรมรักได้เมื่อมีทุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากนั่นนั่นมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรับของต น, งตนแก่เพื่อนเป็นความรับของผู้ตนของเพื่อนไม่แพ่งภายไม่ละทิ้งในยาไม่บัตดแม้ชีวิตก็อัศรเทนได้มิตรเน้ประโยชน์มีลักษณะสี่ ข้ไม่กระทำความชั่วให้ตั้งเรียกความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามบอกทางสวรรค์ให้มิตรจําพวกนี้เป็นมิจแท้ควรครบมิตรปฏิรูปไม่ควรครบเนอ้อหนึ่งคนปลอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวไปจบคนชักชวนในทางเคิดหายคนจําพวกนี้ไม่ใช่มิจเป็นแต่คนรธรมิจไม่ควรครบปอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายดีเสียให้น้อยกว่าคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อน คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนั่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วมั่วเฮาเลยข ค, ค, คยงองขอดใจบางวงว่านเถอะเราไมา่จินคบกันเพราะว่าเออผีบ่าคบกันมิตรจิตเราพรเพื่อนก็ให้คบพระพุทธเจ้านั่นนั่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดีเสียให้ร้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อไม่ไคแก่ตัวจึงทับทําจิตของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอื มิดชักชวในทางชิพหายไม่รักษาสิชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้โมเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันมิสีจะมพพวกนั้นไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเที่ยมมิดไม่ควรคบนักนันน่รักษามิดผูประมาทแล้ยรักษาทรัพย์สมบัติของมิตผู้ประมาทเลวเมื่อมีใครเอาไปนในพึ่งคำลักได้ไม่ละทิ้งในยามเวมบัตินับถือตลอดถึงวงของมิดจำควรคบนักนั่งรักทีเจาน้าเพือนงูทั้ง ฝากที่ฝากพ้องเพุ่นละเพื่นไปคบค้นผัว่าเพื่นไปครบค้นขีเหล่ามากขึ้นว่าในเฮื่อนมาเนีย่างอยู่เงินสองรอยบาทก็ได้เฮื่อนอ่ะมดเฮื่อนมาแลมาตกใกล้ตกกลากันจินี้เท่าเสร็จเท่าสวยก็บวันนี้วันนี้กินเหล่าเมาอยู่หันเมื่อดเอาวันเมื่มันมันสลาดเมื่อเพื่อนมันอ่ะเอาหน้าร่างหายใจดีๆแล้วมันก็คอยเห็ดนํา บัดหา้าแล้วแล้วเขากลับเมื่อบ้านเนี่ยแล้วประกอดข้อผัวแลยซืมใช้หูวเงนเงินมันยังยับชะตางพอไอ้นั่งได้ห้ารุ่นให้เจ้าเอินพอเจ้ามาอีกว่าสัตหห้ารุ่นให้เจ้าเอินพอเจ้ามาอีกแล้วว่าสัตวซืมใช้ผัวนะกอดข้อแล้วมากลับซืมใช้ผัวหัวผัวนะฉะนั้นแค่ตาย อันเนี่ยกะเท่านั่นก็ยุดอนนะบ่กินเหล้าเม่าโทษของกิน เ, เหล้าเฮ็ดเอียก็เฮ็ดบดแล้วบา้านนี่แลบลิ้นปีนตาก็เฮ็ดบดแล้วแก้ผาบานีง้างอ้อมบา้านนะเช่นแล้วแก้ผางางอ้อมบา้านโอ้ยส ม, มุด ย, ยี่กอยนะเช่นผัวมื่อแก้ผ่าอ้อมบา้านเนาั่น เว้ยวัดผามันจักถิ ม, มาใส่าสันฟ้อนกับป้านร่ำกับปน้นาสันคนแห่เบืงสืบถือด้ออวยมาสันท่านเอกศูนย์แล้ ว, ข, วขัวอะไรไปฆ่าอล้วก็ไปละไปก็ยืนถามอะไรได้ยกเพราะอนั่งมาันแล้วก็พาพื้นดีพื้นงามคอยก็เอามาให้เจ้านุ่งมาสันคอยแบกไปค่าด้วนเจ้าย่านบ้ น, นี่ยาสันคอยบัติเราคอยทำท่าซื่อมาสันคอยเอาอยเอารงย่ยหน่อยนเนี่ยเช็เจ้ามือ น, นี่ยมาสัน คอยวัตีเจ้าดอกก็สันคอยมาทาทายซื้อวัสันแล้วเจ้าเสี้ยวหรือถือว่าเสี้ยเดียวนี้วัสันผ่าไม่ยอดไม่ข้อคอยเอามาให้เจ้านุ่งวัสันเจ้ามักกางเกงคอยซื้อมาให้นุง่งเจ้ามาเฮ็ดค้านาค้าตาคอยอยังซออยกัเจ้ากับต้องปะ ก, กันเมื่อนี่แตะขันมันเจ้าว่าเส้วันหายเราวัดมันสลาดได้ไม่เอนพูดเสี้ยวเราจะปางพูดนั่นนั่นหรือไม่สลัดขัวอะไระเนื้อผัวไปละฮะอันมู้นี่น่ะมันของเนีม้นี่นะ่ะมูห้า ขั้นไปเรีนโบกเรีนเบี้ยเสียแล้วเมียผัวไปเรียนสาวขั้นเนี่ยผัวไปเรียนสาวเมียยันยันข่าวผัวเรียนสาวัดไปเรียนไพ่ขันเนี่ยเรียนประชดกันขั้นเนี่ยเคียดกันมากมาตีลูกขั้นในลูกเลยสีตายขั้นเนี่ยอันนี้ยพากกระเทศอันเนี่ยชิบหายวายวอดอันนี้มันของเนี่ยนโมนีแต่โม่เฮ้าผู้นี่เคยื่อเดีรานโลกมาคือกันเคยื่อเดยรต๊ะหมอรหกมาเนี่จังเมาว้าอันนู้นี่ ว่ามันว่า ม, มันดีโรดด้วนเหรอเขื่อเดียวตกมาเราหกมากเมื่ล้วอันมัวเนี่ยมัวตัวมาตกน้ำหลังดอกบอกสันว่าเหลือวคืนหลังมาจะเกิดมานี้พ่ออยากหัวซักขีเด่นตายพอ่ีล้วเหลือไปทังนาซีโซไปนี่ก็พออยากหัวซักขีเด่นตายพอดีล่ะโรคอันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาให้ปฏิบัติเพื่อนายโรคและทําสันสูงเพื่อให้คนทุกข์ในวตาสงสารทําสันสูง ทำเจริญวัฏราบาตจงต่อพันิาพาดมัด น, นโมพระโสดาบันเป็นนโมเทวบลงทางนโมสักขท่าข้ามมีกระเบ๋าไปก้อนนั่นนโมพระอนาคามิเป็นนโมที่ไม่มีโรคไม่มีโกรดนอบน่อมนโมแปลว่านอบน่อมรักมันอยู่หันนอม น, อน่อมเน่ทำในเวไนยของพระองค์เจ้ารักอยุหันกระทู่ยุหัน นามู้พระหัสดีน้นนามู้จบแล้วเพมาเกิดมาเกอมาเก็บมาตายนาวัตตาสงสารอีกหายท่านรักษาศีลพอมาหนากระวังเพื่อเอาผลทุกนาวัตตาสงสารผลเฮียบมาหฮียบมาเฮีบเข้ามาซะเข้ามาดำหน้าหลาหัวปีเพราท่านเพลินไม่รู้หร <laughs> เดืนหกจะค่อยป้อมเดือนหาจะค่อยค่อนเวลนฮ้อนฮอนนะฮะสัตยาเทพอนุสาลังพุทโธพระคาวาเติประมาทงในปฏิสันฐานคือตอนรับปลาใสหนึ่งภิกษุควรทำคารวะหัวประการนี้ทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝา่ารีวรีอเอาปัญหาางทำไงเก็ยอยางหนึ่งมันประชุมกันเรืองนิด อมาประชุมก็เพียงกับประชุมเมื่อระชก็เพียงกัเรื่องะเพียงิที่งจะต้องทำแม้ตริง่พระเจ้าัคนแมถอนสิองค์มตได้แล้วจมาทานศึกษาในสบตามที่ทรงพระองค์ทรงมนตรได้พวกนั้นไปแล้วนพวกไดนน่เออทายเทกันเหรอกินน้ำซะไม่น้ำกินน้าซะเออออไปบรุกบรรุกเถอะสันน้าแล้วบ่ดันน้าแล้วปบรรทุกบรุกบรุก เรียนศึกษาว่าคําสอนของศาสนาพุทธถึงลำคาของชาวโลกยานเกษตรถึงดีพอแล้วมีทั้งมนมุษย์สมบัติบริบูรณ์สวรรสมบัติบริบูรณ์รมสัติบริบูรณ์นิพพานสมบัติบริบูรณ์ไม่ต้องได้ใช้หัวคิดให้ปืนเวลาบรรพควหาเลยลงมือจิตใจตะลงมือจิตใจละความคิดเอาตอนนั้นคือเว้นอะไรไม่สำัญ รังสมบัติก็บริบูนไปในตัวถึงในตัวการถึงพุพทธธรรมสองก็บริบูนไปในตัวแล้วกรสมบัติเล่าก็เจริญยานยานเนี่ยะไรสุดชอบกับเธอชาญย า, านั้นชานางแปลว่าแห่งอยู่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ซึ่งหน้าสติที่ตั้งไว้ในปัจจุบันนี้สมาธิแปลว่าตั้งมั่นในชานที่ตั้งไว้ปัญญาแปปัญญาแปลว่าเรารู้เราข้า ในชาญและสมาธิที่ตั้งไว้นี้แม่ศินก็ตีเสมือนหินศีลาที่ตั้งไว้แห่งเดียวกันเป็นพลังกลมกลืงกันในขณะเดียวเหมือนเชือกสามเกียวคำว่าอมโรโลกมีอยู่เพราะอมรโลกมีอยู่1ิหกชั้นวันวันเดือนมีมากกว่าวันเดือนปีว่าไงหเอเออวันเดือนมีเปว่าวะ Oh, มันจีมากกว่ากันโวกเครื่องีครื่อรีตรงไม่มีรูปอีกสี่พัน <laughs> พวก <laughs> พวกนี้เพ่งอรูปเป็น อ, อารมณ์อายุยืนที่สุดเป็นสี่พันกับส่วนไม่ได้ผ่านนับปีเดือนวันเวลาไม่ได้เพราะบรมสุขไม่มีประมาณได้เลยคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเป็นธรรมอันเลิศ ก, กว่าสัตวโลกทั้งปวงอันไม่มีประมาณ ไม่เป็นหน้าที่ของชาวโลกทุกตัวหน้าจะมาอาจเที่ยมอันเอื่อมเอารับกินนั้นนั้น น, นี่มาเที่ยบ ม, มากีเสมอเหมือนมาพูดกดพูดคมลงให้เป็นของเร็วแต่ก็เป็นกรรมบันดาลให้ประมักให้ประมาณอันเกิดขึ้นในดวงพระไทยของเจ้า ก, กิจเจ้าใจตรงตรงกับคำว่ากรรมในใครทำขึ้นใจดวงนั้นก็ต้องได้รับตามส่วน ผลค่าของเหตุที่สร้างเป็นอันเป็นเหตุผลคิดผู้เชื่อที่ผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วความถิ่นของท่านผู้นั้นก็ถิ่นที่ขึ้นของเจ้าตัวไปได้แต่สําคันตัวว่าฉลาดสัดเทียนใดก็ตามเป็นโมคคัตนะบ้นานเล่วหันสีเขียนอีกอัน บ, บ้านเล่าขี้เขียนอีกอันปฏิบัติกันแบบใไหนเฏิบัติกันแบบไหโอยแก่มาเนี่ยเจ้าผน 2้0 0เก็บท่มหา 2,000 ที่หน่อยเก็บที่มหาไม่เห็นถือเลเตาว่าออกเข่าไปหาทำพระองค์เจ้าที่แรกพรไป้นพ่อไปปพนพ่อยู่แต่อำนาจพระปพอพอรัฐการที่เก็บพ่อยุติมอำนาจอยู่มาอยู่มาไปว่าอะไรที่เก่อีทาน่ะนนี้ผมสมน้อพระบรงาาบอลเออันนั้นก็ไปบ่ไรนั่นาบพรยบุญเท็จ่เจี่อีาน่ะนั่นนั่นนันน เพิ่มาีอะเพิ่มภาษีอันนี้มัน็ดีทีเาแม่กับแม่ทุดน่นะอันคนทุกระสิ่ตายวิบวิชณ์สิสิอิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิยิสิสิสิยิมิสิสิสิสิสมสิสิสิสิสิสิสิสิสิสนั้นแสินิสิสิสิสิสิสิแิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสาสิสิสิสิอิบิสิสิสิสิสิสิส โรคหนังโรคกระขอดโรคดิเกะกับใบยมุกเอามบยมุก <atrav> คืองล่ะมันไมีประโยชน์อีลูกสาวลูกชายก็ไปเสียหันล่ะไปเสียอันล่องหลนังกระขอหันล่ะเออผู้หญิงอยู่นี่ผู้หญิงอยู่ที่ผู้อวแห้งกว่นี่มูดังบมูโตเรื่องมูจุดยักอายขนาดมูดย่อผู้ชายก็คือไงจิ๊บกปุิ๊บเกะก็ปัดเออ ค้ัอก็ปัก็กมือแล้วีมุกหักหอดคนสมัยห้าวบัดเดี๋ยวักคนนียังรักแต่รลังมาหลักขวดปีละตัวสองตัวเดียยินข้าวว่าห้าปีสิบ ป, ปีที่ไหนยินว่าเอาแบบแบบทักขอเช่นหนึ่งจะจี๊ช่วงเวลนี้มันบ่มันบ้า น, น, นเมืองจรเลิจริศในทา้งกิเลสเห้ยกิเลสแต่เลิหลายหลายกิเลสพวกภัม่ไภัย ไปพระทานมหาทีกับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเม่นบอกมื่นบอกเดี๋ยวไฟไม่ไปขึ้นกันล่ะทัพกาเนสูจากเมี่ยเมี่ยกเนสูจากัพเสมอเลยเก็ปัดเอารถตังคค้อนตังค์ชีกมวยกันว่านแต่ทําทางเสยอะเพื่นทำไมแค่ขึ้นเชิดขึ้นหอดกันเก็บตายทัพเขาเมี่ยเนี่ยเเห็นกันขึ้นหนึ่งเลยขึ้นอดกันเก็บตายจัมันถึอยู่ยังไงจักมันถึกินยังไงถามว่าจะว่าเทียบเปรียบกัน ไปแท้ขอดกันเกือบตายแ่ไหม่มนั่งแล้วตื่นขึ้นกันนั่นแะแข้งเือแข้งแพร่มาเนี่ยกอบยมกเั่งนั้นแหละแข้งมากกบอบยมุกเบ่งเชยงบอกออกเขาวางทีละก้นไมเนียเอาใบกิที่แตกเขาวางกันเนาะมหาพะมันจังว่าเทนักขึ้ตายนี่เทคนเนี่ยอบบยมกหรือบาง่จะเิศเนี่พระพุทธเจ้าหอนพระพุทธเจ้าบอกแล้วอบบยมกเป็นเครื่องคืบหายหอนเอกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มาถ่ายอันเดียวกันนดอีพอแม่คุย ถ้าแย่งกันเนี่ยเข้ากับบาวาดอกพระพุทธเจ้ามาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุนยพระพุทธเจ้ามากสอนโลกคักๆเนี่สอนพระิสุทธิ์ทำไม ม, มันก่ายมาแล้วนาบอายมุกสอนโลกมาสักคักๆพอพิสุทธิ์ทำไม่ไมันมาจากโลกได้มันกมาจากพอจากแม่จากจาร า, าวาสทมาบวชแต่สอนฆร า, าวาสแท่เป็นมนุษย์สมบัติันนันเฮ้ยอกมาเบื่อข้าวโมโหกับไปนั่นโตเป็นว่าพโตโโห้ามา ญานนี้ญาติหนุ่มกางเกงรังดีๆอยาฉี่ไก่ระพะคำวผิดลุงกางเกงรัุ่มีไก่ะะผิดเรอยนน้ญาิหน่าเันุ่ไริเรยนี้าิน่กากังนกะิปัญญากาหนดด้ดยการลูตีลยนะปัญญากาหนดด้วยการพิจารณาปัญญากาหนดด้ดยการอาศยผลปิญญาทางพุทศาสนาถึไปวอาอีัภาษาหนุ่มเรามีอะไรทุกถิ่มเสียอบายมุก มุกขามุกขายไกิฟนาหายอยู่ซึ่งนาซึ่งปากพรเจ้าพิมพสารตัง้งก้นไมยรายชามาคโทแปลว่าพเจ้าแผ่นดินมคทรงอานาจทิะขาด่วนอานาจทิศขาดเพิ่นตั้งกนไม้เองคนมีศีลหาตัางา้งกนไม้เพราะว่าเขาขางตัวนีว่นั่งนี่คนมากเ ป, ประมาณนคนมากเบดโลกเนี่ยว่าม่มีบาไม่มีบุญเท่ากับป่น้ำเล่หเาตาไม่ได้ซื้อเท่าก็บปอนักคนมากมีสะกี้เด็ดท่อแผรฝ่าแพรนไฟเนี่ ค่อนมากกูมีสินเด็ดค่อนมากเอาตามค่อนข้องมากเป็นประมาณเย้พุทธิการข้ังพระ เ, รเจ้าบุตรไม้สันนด้พู้อะสิเงี้ยจบพรไทยไปดกปตามเธอปฏิวัติบดีบ่ให้เอามาออกเสียงนักนั่ น, น, นส ม, มัยนะมัมอึงบ่ออกใครกูกูกะเจ้าอานั่นรองสันน้าเฮ่อหนูว่าปวดน้ำเสียเบ่แดงแจงไาใสากระแจงไปอันซึ่งสิบปีนัก ส, สอนพระเจา้าโลกเขาไปทูกเป็นผู้โลกแก้งโลก ศักขาที่องครางไป็ู้สอนของเทวดามรุษทั้งหลายเลกครองด้วยสามัคคีทาบ้างขงพระพุทธเจ้าีว่านสามัคคีทำเข้ามาสามัคคีทานั่นสามัคคีไปเป็นบวกเรียนบี้มึงูกขับวิหายหมดโลกไงเหอนั่สามัคคีมันเป็นากลางี่ักสามัคคีไปทั้งผีทั้งซัวบุไปใช้ชื่อปไตยก็เป็นขํากลางนีย์ระซาส้นทอมไปทั้งผีหรือทั้งถือบุนั่นเขาบอกขนท่าือท่าเป็นากลางท่าไปทั้งผีทั เข้ามานเป็นขั้นต่างอยากานดีค้นตัวบุนั่นเข้ามาภาคกับเป็นขักลางอยากมาพาคดีหรือภาคสัวบุเอ้า <comme> นั comme ça, comme ça. ่นเข้ามาเจ้าห่ายกับเป็นข้กลางอยากมาหน่ายดีหรือน่ายสัวบุแน่นั่นเดี๋ยละห่าทีา้ามันยุติธมันพูดด้วยจักเหตุู้วยจักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขถึงนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธยุตามเป็นพูดด้วยจักผลู้จักสุกันผลแห่เหตุอันนี้ทุกคนผลเหตุอันนี้พวกพุทธเจ้าเทปไม่เหตุเด อาศัยเหตุตะกอนเหตุูปัญจโยเหตุไปทั้งดีตะกอนปฏิบัติทั้งดีพ่อแล้วควบสัวละไปเองเนาะปฏิบัติดีตอนไหนควมสัวตอนนมันก็ละไปเ้เอแล้วปฏิบัติดีมันควบสัวตอนนมันก็มดหือว่าอย่างไรสิเขาซวยเพรานี่พานนั่นห้องหัวใจดพุมงิดพุ่งใจพุ่นพระเจ้าพระสงฆ์เทดกันเนี่ยน่นหัวใจเทิดเล็กเกเดี๋ยวฟ้าเฮงหัวใจหดพุ่งชิดพุ่งใจพุ่นมีคนเต็มเพส่าเพิเดียวมันก็รักษาบ่บาไหวเสีว่างไลยตะกูลนั่งข้างกันตั้งนานไม่ ไม่แสดงพระผัสหุดชี่หายแล้วไม่บริเนพระัสหุดชี่ ค, คับค้าไม่รู้จักประมาณในการบมิิภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษตู้ศีให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะํำลงตระกูลควรเว่นสถานศีประการนี้เสียนั่น น, น พ, พุทธเจ้าโอ้ยจำนิเมนอีพอเอ้ยต่อไปไวัดมือจะมือเป็นหอมมัดเลีกันในกงอมยื่วเนี่ยตายากันยังองอมยื่เนีย่ยเราม่นกกเรีให้สุบม่เอนกระเรีย เขาพื่อทีเจ้วสางวางไวไม่มากมักขนหรือซัดออกจากตาสองสันตัวคือมักขนหือ่นี่กระเาเหมื น, นี่ไม่ไม่จากสพระมาจากสาก็ามาจากครรวาด ต, ตัวนักทำท่าทาท่าก็ลิ้นหน้านั่นก็ลิ้นย้านี่แล้วพระพุทธศาสนาเราบอกออกมาเป็นแวร <c oughs> ไปปรอดไปปรหลอด <c oughs> ขอความเป็นธรรมว่าจิตที่แตกเนี่ยออกมาจะใช้คนทําว่าขอความเป็นธรรม เขาคงเป็นถ้ำน้ำศาสนาคิดกับคาเนะมามามึงเขาคงเป็นถำเอาซับเอาเอาอันเอาอันดาบมากระตัดข้อไปสวรรค์สวรรค์เขาบอนเป็นถ้ำนำพวกนันสร้างออกเสีของมันยับบุญบาปพวคือกันแม่บอกนันบอกว่าอี่เด <can think. S 1> ีก right. ข <Do it. S 1> ึ้นเอมื่อเอเมื่อต้องตื่นแล้วเมื่อแล้วก็เมือกระเพ่ยันเดี๋ยตายข้างโย่โสดแลวะไหวเห ว่ามบวชเห็นยังเท่านปีนออกจากทําคำซ้อนรพุทธเจ้า่ะไปบ่ารอดพราะพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติอย่างแต่พูมเจ้นจังสอนสวรรค์สมบัติจังสอนนิพพานสมบัติไปทาดับไปมนุษย์สมบัติก็ยังบวชถือสวรรค์สมัจังหาป่จะคอยเลี้ยวเขาอ้างพุสมบัติก็จะคอยเลี้ยวนิพพานสมบัติก็จะคอยเลี้ยวเขาอาจะมนุษย์สมบัติก็บวชถือที่ไปถึงสวรรค์สมบัติอย่างไดสางแค่พูดเป้ายกหุ่นสี่พื้นไปที่ไปไกลสไลด โทษอะไรแบบซายเดียวนทผู้แท่ น, เ, นเขาขาตายข่าขายท่าขา่ขาข่าที่่าซุ่มห้อเพื่อนรมันละมันขอเขาออกผูกคนมุถิมล่องนำก่อนทำให้ผู้แท่นเขาผูกห่อเขากมตู้เราผมหายเขาฟ้องนามาได้มนใช่ใช่ใช่รงนี้้องนำฟ้อง น, อ น, อ น, นอนะมาเต็มนอ่โอ้อันนี้ เขาเหน้องจังสีเขาจเอามาใส่อย่างหนึ่งเขาผิดไปซึงมากเขาพัญยานพวกั้เห็นามห้องไ่อเขาเอามารับามาสมนีได้ปะกเียวพนามาหานปีไยอมไปเก็บเงินขาใอยู่ห้างบเิมจะมันหอนลายเอาเงินกนที่แตกเี้นะาะิ่มมันหอนเหฮะฮะแน่วัดอะไรนะผมยังก็มาทานผิใบยังจีไป พิษตัวพิดตัวเขาเห็นทำาสั่นเข้าว่าก็ <c oughs> มาถามพี่บาสังไว่าสั่นเ้าว่าต้ ม, มให้ผวกมาเห็ดอยู่ขึเรื่มโตจนป่านั้งจะบังกลับมาถามกันไหนมาสั่นเข้าว่า <c oughs> วันหนึ่งเราเทศแบบไ ง, งตั ว, วันหนึ่งเห็ดแห้งหอ่อเราปลูออกเอาำ่างไหลกันเลยเขาเทแบบไ ง, งเด้ส้มห น, น, นึ่งมื่นหนึ่งคนดดอกจักสองอร่อย เพื่อได้นุ่งน่อยเขามากมดกลต่หินมาถึงวาสันท่อยนไม่นุ่งว่าจีนี่แตกเกี่ยงแแต่ทว่เขาดาราแขวเขาผู้ชายกัดมาไม่นิบบักแค่คมันเนื้อ้อเสียที่แห้งอยู่เหรอเจ็บตรงมันมันมันคือพระรือคือผีมาบวชนี่เสียทีงแห้ เข้าแงไหนอี่เย็ Wars> ้ายแห้งเกิดฝนมืนนะว่าส่แห้งข้างไหนส่แห้งเดเยวแล้วปีตีขึ้นเมื่อไงปีตีนะคาตายสมาปีตีพิบะหลูรล้านเขาเทศแบบไงต้างแห้งะเขาจะได้เทศไพ่คือกันบัดน่แต่โรกทานเอ้า ความละอายตบบาปวกลัวตบบาปเสร็จพวกข้องโลกยูเหมืนวันขลก่ม่มีละอายตบบว่ามีกลัวตบาบตั้งคืนได้คนอยู่บนก้นไม้นั่การปฏิบัติถิ่นธรรมมันสิปฏิเสธได้หนมอมืหมู่งเหาอาบฝูงาะปฏิเสธอาบน้าได้ว่าร่างกายมันสกปรกมันเขาสังคมมาได้เน่ยยดแ่ตัวกขายืดมได้ทำมันเนอะมันนะม่นสบายตัวฮะนี่จิตใจได้ว่าว่าผู้พิจิตรธรรมมันจะไปไหนวะสร้างา แต่รางกายยามก็ยังต้องอาบน้ำยังไรกิ๊ดใจแห้งะเอียดกว่านั่นวัปฏิบัติชินนะพระองค์เจ้ามันก็ไปไม่ได้แล้ ว, วาาก้อนไมก็สร้างถึงแบบบาปกุกบวชเสด็จอายุในหนังสือผมบุญกุฏิบวชสด็จตส่าห์ผู้หญิงอยู่ในหนังสือผ่มได้อยู่ในหัวใจคนจำเก่าหันเหขัดนสีนหาครับวรวงล้วเหมือนเส้นหาว่านั่นกับพสะเสด็จหลวงพ่อไม่มีเรื่องบขงัทงทหารำหตำรวจแจ้งว่า ก, กินที่แตกนี่ครับไม่เสินหาสินหาประการนี้ก็ระักคนรักษาเป็นนิดตุ๊กจจาว่า ปานาติภาดาวีนรมนีอะดินานานาเวนรมนีกามีสุวิชาจาราวีนรมีมุสาวาจาราวีนรมนีรมนีแปลว่นแล้วชุลามียาม่ช่ประมาณนักฐานาเวนรมนีรมนีแปลว่นแล้วอันทขาประทางสมาธิขามซิกขาประทางสมาธิยามีมันเป็นซิกขาบทหนึ่งอยู่ในใจอันนี้เพื่อนเลยบวาพวกม้ามโยนเลยบวาวาแต่เพอเพียงเวนรมนีเวนรมนีแตก็แล้วซิกขาปะทงสมาธิยามีบวาเวนรมนีแปลว่นแล้วเนี่ย เว้นอันนี้เว้นแล้วว่านันสัตวตัวเวรธรนีเวรธรรมานีเว้นแล้วตานาทิพตาตร า, า, า, ร า, า, ราสิ่งที่มีตาไม่ควนข้าเนี่ยนี่ยกฎหมายของโลกฮัโลโหลมมีอันนี้เหรอไหนมึงตั้งไปอ้กฎหมายตั้งกฎหมายว่ามั่งมึงเสียหายมึงตั้งไปน้าเก้านี่แล้วท่ทองเรียนไปแล้กับทองมาอวดกันในคืนเราบ่เออผมมีอย่างอาต้อบามมีกวาต้บเราบ่ พวกคนที่เที่ยวล่วงไปะมากก็อาซ่องคลาอาซกองคลกับตุวเสิมาทั้งน้าก็มากกอาซ่ไงกลับตแต่ละับละกับกับมีพูกเที่ยวหาบอองุงที่บุงบาทเท่านั้ น, นเองเขาเื่อเอาเที่ยวเขาคุยเท่าเขาัวเนื้อนั่งเขไปาพวกเที่วของอื่นอยู่ในตัวน๋วคาสอนในไรแต่โลกธาตุทุกยุคทุกสมัยว่าสิมากเนื้อคาสอนพุทธศ า, าสนาโมเมนต์มเียเเข้ามันเป็นชมาสที่พอแห้งแล้วโล ก, กุตลปะคำสอนเนื้อมัมนโลกขีคําสอน ้สเขาข่าวตัวแล้วคําสอนเขารบถ้ำเนี่ยเห็นทั้งสัตว์พระพุทธเจ้าที่เขาลบถ้ำทำาทั้งสัตว์พระพุทธเจ้าเาบเขาถ้ทำถ้ำหอบีเดกพระพุทธเจ้าเขาเขารบถ้าใช้อันนัออกออกมากม ย, ยาม า, มาออกแ้กนก็ะกัเท่ยนขาจะนนไละเพื่อนระเ่นขาไม่กินไม่ใช่ฮะมุโจทจมาซ้ายใเปลี่ยนเนี่ยจำมาซ้ายนรถคู่ีไ วัรามกินน้กงน้ำเขาโนทกวเงินอะไรเออเนี่ยแล้วูดสีหลายคนอะไรอร่อแม่ขาว็ร่อยหมดขาิวเอยออร่ า, า ย, ยาแต่ว่าพูด เ, า เ, เ่าเห็ดพูดเาเห็ดอันนั้นเข้าไปยิดีเผาเ็ดชัดเจนดียังๆ เ, เห็ดไงรอวดศาส น, นาอื่นในหัวน่ชาน่มนทานน้ำควันปฐมบริล พระพุทธศาสนาเนีเป็นทั้งเป็นทั้งคนกลางประเทศเขาจังอยากเอาพระพุทธหลวของพระเกศอิทธิ์ทำลายอู้่ก็เพราะเขาเสีร่วงเนี่ยเขาเสีย่วงหลวกร้านเนี่ยนะครัเนี่ยว่าไหมีผูชนีสถานฝังเรือเรือเพื่อมของเขามอนต์ก็มีซอเสียงเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ไปจาโลกมาชพระใดเนี่ยก็จะทำลายว่าทำลายก็ไาใดผู้ชนะสถานอ๋อมาแค่งกัดเก่กเอาอ๋ แม่แค่งกัมงรู้ปก็สัตนะเออม่แข่งกับมรู้ปล่าแข่กันตั้งสามพันรอกก็แก่งรู้ปล่สุานนู้ดว่าไรคุณของคาาของพระโสดาบันเจ้โอ่งละองสมิจจการโอคุณค้าของพระ้าชา้ามิจเโ่งละองสมีจจการซื้อไปขาได้บป่าเมื่อไฟสิกาคือไรเดี๋ยวพวกมิสาธิตยันรู้คุณค้าของพระหลันจ้โอ่งละองมิจจการโอ้นี่ท่านผู้องกติอะไเนี่อ้อข้ามสตนเจาวะดละว่าของพระองค์เก่า พ่อ้เอาปฏิบัติดปมดเพื่อได้เอาปฏิบัติเกิดปมรดเนี่ยมัคือไหน่าคือหน้าคือหอวกระสวนปันในกาเท่าไรกมดคําสอนเพื่อได้มักเท่เอาไปกันเี่ยปมดเนี่ยนั่นนะก็ค่ายวาายเป็นทุกข์กงบจายเข้ามาดูดจันร์ถ้าสอนก็จเจาะก็จะล่วงไปเสร็จถั้สอนอันกพวกพรุอะไรนึ้สุเทจะทอจุัตยานััติปัญญาุัตวิชาัตยาน พุทธาฏิตรังโขขณะคือเขาเวงทุกขังอริยสัจจ no ์ทุกขชมวอริยสัจจ์ทุกขนิโรทอริยสัจจ์ทุกขนิโรธถาข้ามี่นี่ปฏิปทาอริยสัจจ์มันมีอรืว่าต่พันไดธรรมจักเปร้ทงแจ้งว่าเอาธรรมจักมาเทศก่อนแต่พราะเห็นว่ามันไม่หรือจะพันไดธรรมจักจักสูคือดวงตาเห็นธรรมจักสูคือดวงตาเห็นธรรมนี่บันจักกะละจักสุจักสูคือดวงตาเห็นธรรมแคนี้ก็วัดยังไง งเหน่าวนี่โอ้้อตบข้อกัดตบบทมันกเลียดมันกัเดินดีตัวใหญ่เน่ยผมตอมันมันหนักกว่าม่แข็งนี่เลี่ยดก็เดินดีาแข็งอันนี้นิ่มกยิ่น้อยแต่่เยอ ลงลงลลงลงลงบอลี๋ลงรอกยังมาที่หลังเท่านั้แล้วฉันเอะนาดมาใส่พิ่งังก้องเต้้งเ้สิาเ็น่งอะเป็นย่งเป็นจสิบามเเมื่อเมื่มมาบนีก็ไหนเด้มานี้กไหนเอเขาเ็ไยมใส่ลหลานเอนี่นี่นี่นี่นี่ิ ว่าไงสวันนี้โอเคง่ะว่าเส้นว่าเพียงง่ะมันเป็นขาดไหนเอ้าบ้นเท่ไเท่าไรเมตรเท่าไรเมตรสามสิบนี่แล้วตัวประวัตไงสิว่นนี้ว่เียงเยไงเปเปลงเงเปน่ล่เปล่ล่งเปเล่เล่่เเล่เ่เเลเ่่ล่่่ลงเ่่่ง่่เป เปนยังไี่ยันคนนี้พ่ต้องออกมัุ้บซุบนีด้ทานขเกงไหม่ได้ไหับินตามมาเลยอยากแล้มือปจุเนาะต๊ผันโตนี้ตอนนี้พี่จันนะแ้ไม่รู้ปจุอันนี้หาเส้นหรือชิปตงวงของใหม่แต่นัวเส้นวะมอดเส้นผมก็นี่นี่อ่านหนังสือหาวอะไรมาคนบ่ไหนหนังสืออะไใครเขาเขียนหนังสือก็อ่านหนังสือไรคนบ่ไหนหนังสือ นั่นมาไเขียนบังไงเนียเพชรของเจ้าว่าเพชรกระคัือของเจ้าก็ถือครับคนอ่านหนังสือเฮาบ้าไห้คนบ้านไหนหนังสือเฮาอ่ะนั่งนัเนี่ยคนอ่านหนังสือบ้าไดเดี๋ยวว่าคนบ้านไหนหนังสือนี่นี่มาสมสองนี่มาสมสองรัการที่หก่งเห็นไหสมาสมสองราชการรการที่หกเลยนะมาสมองสูงเินีวไว้ไปใกล้เคียอ่านกับพอก ไมฉันว่าลราเงื่อนหาได้ขีดสนาวะเขาไปกินว่าเขาไปใกล้หางเ่ไหวันว่างเงื่อนหางด้ขีดสัตธนาหลวระพุทธเด้กประมานสันเสนิตนเองนะยรสุญาสุยินดีไวสเนวมันว่าว่มันนักปากนักเป็ดนะ่ครับ คนสารเสพต yourself, mm. ิดตัอเอนักเปรตนะสเมผัคนโง่คนบมีอริยธรรมสัมผัสคนสารเสพติดตัวเองไม้ปู่หนาไอ้ปูหน้ายาดีดีคนสเสติตัวเองอ่ะแล้วคนย่องจะคล้องอะไรจะตัวดีมันั่งข yeah. ี่เฝ้าขี่ก็หอมขี่จะคล้องขีพื่อนนะไม่ได้นักบริจากว่าต้องสารเสพขี่จะคลองนั่งเฝ้าเยอะก็บหอมมันบอก ชี้เพื่อนมึงนอกเป็นพี่เป็นไฟอันนี้สูบคํามสอนพเจ้าว่าได้หลอกลวหลานเด้อ้ยเก่งไปใชกัเก่งทำไมขอนี้พระพุทธเจ้าว่าห้สอนข่าพระเจ้าเป็นผู้ขึ้นได้มากขอนี้พระพุทธเจ้าว่าให้สอนข่าพระเจ้าเป็นผู้ขึ้นได้มากแล้วพูดได้ว่าของสัประมาทพวกสัตว์ัสัรันเขาว่าพระโธิปุณหะริสุทธิ์ทั้งพระพุ้าประกาศเสียีไ่ได้บุญทั้งอัต ท ana, ังพยัญชนะโดยชิ้นเชิงแล้วพเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าไงวะามรู้ไหมครับท่านเท่านเสี่ยมื่อได้นว่าเี่เป็น mm. พึงที่พึงของหลกงไงพระพุทธเจ้าต้องเป็นที่พึงของหลกคําสอนพระพุทธเจ้าต้เป็นที่พึงของหลกเป็นยอดธรรมคือคําสอนพระพุทธเจ้าธรรมดาสอนหลวก็คําสอนพระพุทธเจ้าจนได้ธรรมดามาใสใสก้นหมายสอนหลวก้นธรรมสอนหลก็ไม่คําสอนพระพุทธเจ้าจนได้มาใสอีกทัางโง่ ผู้ไหนพอพูดเสียงหามันยึดมันอยากตายสั่นพราะพุทธเจ้ากเป็นคนโง่ที่สั่นจะเช่าสร้างให้คนหรือคนอยากตายนั่นมนุษยธรรมมันถีมีมามันก็เพราะมันถีอยู่ย่องห้องทนบ้างเพราะฮันสร้างงูฮะสร้างจ้งงูงูอะไรไปหนได้กับเพราะว่าอุดมคติได้เสีนงหามันเป็นอุดมคติดึงซับมากรัพย์ที่ได้มากจากโบกจากเบี้ยจากบัตรจากมือได้จากมือฉันเนาะ ในจักมือสนันเอาเอ๋ซับได้แรมากแว่าหนข้างไดสอบอ๋อซับแรงมากในข้างสุดจิตว่าสอบว่าโกงเอ๋ AL? เอางแม่สอมอย่ได้จักมือสันเอานั่นพ ว, ก ข, วกขาหมูขางูขายมุ่นเนี่ยสันนาบุม่ีสีมีวันยังเม็ดงานา ด, ำ ด, ำดำังๆการไปเห็นใะ้คะแนนเขาโหลดอ๋ออ้ยพวเขาห่างเขาไม่เพราะว่าโอ้ยก็ ม, มีอันหนึ่งเลยเขาเมือวันเขียวไปย่องขี่นม่พูดถึงเมืองมันมาย่องเละ เน่าส้หนามาหาเฮ้วาเวเาโมโยนกุยงบอมาหาเนี่ครับมาหาสามประโยคน์วุนีนั่นก็ไส้หนามาหาได้เหอข้าว่ยาบมาหาเนี่ยย่านไผู้ปฏิบัติน่ยผู้าปฏิบัติว่าย่านห่ทุเรียนมาจำาเสแก่จะขายกินข้าวเขากล้วยไส้เวกก็เปลี่ยนตัวของมูจงหอดกล้วยก่อนไม่รู้อะไรบ้างมันกงจัดกู พระผูะ้ศูตร์มันเป็นพระพุทธเจ้าทรงสารเสด็จเนี่ยแหะพระผู้ศูนย์พระผสักจาระชื่อปัญจจะเอตมังคารมุตตังพรองสูตรูนยปัญจจะเป็นผู้สร้างเงียบ่าเนี่ยังก็ดีสร้างใหม่สร้างใหม่ก็ดีเขาชื่อปัญจจะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นมงคลเอตมังคนรมุตตะังสุชิตกิโตเป็นผู้ศึกษาดีแล้วทำไมพระผสูตร์เนี่ยสุภาชิตตาเป็นผู้วาง่ายสอนง่ายเข้าสอนแต่ิญรสระ บ, ะบาด มันทรงต่อพันธุพานธมั้งหลกานเอ้ยนโมะทรงต่อพันพานโมพระหันทรงต่อพันธุพานในนโมพระลหันนอกนอกจนไม่รมีโกไม่ลงนโมโลกี่นโมเลกนโมผาณโมวัดนโมเบือนโมโลกี่พระพุทธศาสนาพุทธโตพุทโตเลกพุทธโทผาพุทธโธวัดพุทธโธเบือพุทโตภะทวาดาวันพุทธโทสัพพะฆามีพุทธโตอนาามีพุทธโธพระหันพระหันเลียนพุทธโตจบหมดจัง พดาลพระปจิจรัสมารพรพุทธเจ้าทำาจระวาระบราดตรงต่อพระนิพพาน ห, หมด